เสียงงานหนังสือทำแท้งและสารพันปัญหาชีวิตกับการตัดสินใจทางการแพทย์สมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับครั้งที่หแนะนำเนื้อหาจากผู้บันทึกเสียงทำแท้งตัดสินอย่างไรชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรการทำแท้งในทัศนาของพระพุทธศาสนาและสารพันปัญหาในกฎของธรรมชาติกับเรื่องปานาิบาต ปฐมวิญญาณกตินิมิตการขออโหสิกรรมหลักตัดสินทางการแพทย์และการทดลองเป็นต้นเป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อการรู้ให้ชัดให้ตรงแม้บางหัวข้ออาจดูเป็นเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ตามอย่างน้อยจะได้เข้าใจในหลักกรรมหรือการนําหลักธรรมมาใช้ได้ถูกต้องทั้งต่อตนเองและการแนะนําคนใกล้ตัวเพื่อจัดการกับปัญหาแต่ละอย่างได้ดีที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดเกิดโทษน้อยที่สุด หรือจะแก้ไขบรนเทาโทษกับสิ่งที่พลาดไปแล้วได้อย่างไรนะครับตัวอย่างหัวข้อและเนื้อหาภายในที่สําคัญชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหรการตัดสินว่าค่ามนุษย์ตามหลักอาบัติป ร, ราชิกกําเนิดชีวิตมนุษย์ตามความในพระไตาปิฎกคันธ พ, พะปัจจัยสําคัญในการเกิดคืออะไรวาระก่อนตายกับกรรมนิมิตและคตินิมิตการละลารูปจุดเริ่มชีวิตด้านรูปธรรม จิตดวงแรกคือปฐมจิตหรือปฐมวิญญาณจุดเริ่มชีวิตด้านนามธรรมจะทำอย่างไรเมื่อชีวิตที่เกิดมาไม่เป็นที่พึงประสงค์ด้วยเหตุผลทางสังคมหรือการแพทย์ปัญหาทางจริยธรรมสองส่วนในทางพุทธเพื่อการพิจารณาคือความจริงที่พึงรู้และกรรมหรือกิจที่พึงทำหลักพิจารณาเพื่อประโยชน์มากที่สุดหรือเป็นโทษน้อยที่สุด การยอมรับความจริงและยอมรับผลแห่งการกระทำเรื่องพากชีวิตวินัยพระตะัดสินอย่างนี้สังคมชาวบ้านจะเอาอย่างไรทำความเข้าใจเรื่องบัญญัติธรรมจริยธรรมและสัจธรรมสิทธิของแม่และของลูกหลักพิจารณาในแง่ความจริงของธรรมชาติและในแง่กฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนจริยธรรมหลักกรรมในเรื่องปาฏิบตัตที่ควรใช้ประกอบการพิจารณา องค์ประกอบให้เกิดบาปมากหรือน้อยคือคุณโทษมากน้อยแห่งชีวิตนั้นเจตนาและความเพียรพยายามอานิยามกฎธรรมชาติตัวแปรสำคัญของการกำเนิดชีวิตขันทพะกับปฐมวิญญาณเป็นอันเดียวกันหรือไม่ปฏิสนธิวิญญาณในภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไรคำว่าโซที่แปลว่าวิญญาณใช้ปฐมวิญญาณหรือไม่ สัมภเวสีคืออะไรเหมือนโอปปปาติกาหรือเปล่าในการผสมเทียมตอนไหนเป็นการเริ่มต้นชีวิตตัวอ่อนสี่เซลล์ที่ต้องทิ้งถือเป็นปานาติบาตหรือไม่การผสมเทียมทำไมบางส่วนไม่ผสมกันหรือปฏิสนธิวิญญาณมีจํานวนจํากัดตัวอ่อนไม่ฝังตัวและตายไปจะอธิบายตามหลักกรรมอย่างไรผสมเทียมใส่ในมนลูกคนอื่นใครเป็นแม่กันแน่ การคลุ้มกําเนิดที่ขวางตัวอ่อนฝังตัวเช่นใส่ห่วงเป็นปานาติบาหรือไม่ถ้าไม่มีเจตนาทำลายชีวิตแค่ไม่ต้องการมีลูกจะเป็นกรรมหรือไม่หลักพิจารณาเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดกรณีต้องทาแท้งเพื่อความปลอดภัยของแม่หรือเพราะเด็กเกิดมาจะพิการทําแท้งด้วยความจำเป็นทางสังคมบาปมากไหมแก้กรรมอย่างไรได้ ไม่เจตนาทําคนตายมีผลกรรมอย่างไรเป็นบาปหรือไม่ควรวางใจอย่างไรคนดีเวลาตายนึกถึงความผิดที่ทําไว้จิตเศร้าหมองจะไปทุกขติคนชั่วทําผิดแล้วไม่ทุกใจไม่นึกถึงเลยเวลาตายก็น่าจะไปสุขติใช่หรือไม่กรรมนิมิตกับคตินิมิตจะปรากฏและให้ผลอย่างไรกับคนใกล้ตายคนใกล้ตายทุกคน จะมีคตินิมิตรหรือเปล่ากินยาถ่ายพยาธิกินยาฆ่าเช้โรคเป็นปาณาติบาตหรือไม่จะขออโหสิกรรมกับวิญญาณที่เราทําผิดไว้ได้อย่างไรอโหสิกรรมและอาจินไตในความหมายที่ถูกต้องทำไมคนในโลกมากขึ้นวิญญาณมาจากไหนกิเลสมีกำเนิดพร้อมกับชีวิตหรือไม่ทำไมคนมีกิเลสได้ ความเข้าใจผิดในคําสอนไม่ให้สนใจเรื่องชาติหน้าให้มุ่งเน้นที่ปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นอ่านโดยอริยคุณจมรงผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตวิภาเวนิดวงวานสุนทรวงแสง เจ้าภาพรองจูวิตสีโภคาครอบครัวอิ่มวงศรีพระบุญยภพัฒนทิโกพันวณีจันนพก้าวกุลกิจกมลกีรติพงไพบูล์อัศวินอารัตเทียนงามครอบครัวสินสมบัติทีทวัตจันจรัตวัฒนาวราลีอธิสกุลสุดาพรตรงศิรินิจชามาโสภาร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตทายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุมโมทนาสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวง